วันนี้เป็นวันสำคัญนะหลายคนอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ว่ามันสำคัญยังไงสำคัญก็เพราะว่ามันเป็นวันที่ชวนให้เราลึกถึงเหตุการณ์ที่มีความสำคัญอย่างมากน ะ, ะครบรอบ1ิบปีเหตุการณ์สึนามินะจาได้ป่ะสึนามิสิ0ปีที่แล้วนะนเกิดเหตุการณ์สึนามิขึ้นนะที่ภาคใต้แม้มันจะเกิดกับ ไม่กี่จังหวัดนะแต่ว่าก็สร้างความสะเทือนขวัญแล้วก็ส่งผลกระทบมากเลยจริงเหตุการณ์มันเกิดขึ้นทั้งโลกกันนะไม่ใช่เกิดทั้งโลกเกิดขึ้นทั้งทวีปเลยนะอินโดนีเซียมาเลเซียไทยพมา่ลาลังไกอินเดียก็โดนไปตายกันไปห้าหม่นคนไนดะ้มั้งเกือบแสนเฉพาะประเทศเราก็ตายไปห้าพันคน เหตุการณ์นี้ก็มอในแง่ธรร ม, มานี่มันก็ให้บทเรียนที่ดีนะเพราะว่ามันเตือนใจเราว่าเหตุร้ายนะหรือว่าหายนะาสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาความตายสามารถจะเกิดขึ้นได้รวดเร็วมากนะมันทำให้นึกถึง พาสิทธ์ของพระธิเบต ท, ที่บอกว่าไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้หรือชาติหน้าอะไรจะมาก่อนคนมาคิดว่ามีพรุ่งนี้แล้วก็มีชาติหน้าที่จริงชาติหน้าอาจจะมาก่อนก็ได้เพราะไม่มีวันพรุ่งนี้นะหลายคนนะก็ตายไปโดยที่ไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็มีและหายใหน้าบางทีมันก็มา มาแบบในวันที่สวยๆวยงาๆนะวั <c oughs> นยี่สิกธันวาเนีเป็นวันอาทิตย์แดด ก, ก็กำลังดีนะประมาณเช้าเก้าโมงสิบโมงฟ้าก็สวยแดด ก, ก็ใสทะเล ก, ก็งดงามผู้คนก็พึ่งฉลองคริสต์มาสเมื่อตอนกลางคืนก็ยังสนุกสุดเวี่ยงนะมีความสุข บางคนไหวได้น้อยก็ตีสองตีสามชีวิตนี่มันสุขเหลือเกินโลกนี้มันก็งดงามเหลือเกินนะในความรู้สึกของผู้คนในวันนั้นแต่ไม่กี่ชั่วโมงต่อมานี่สวรรค์นี่มันกลายเป็นเอาเวจีเลยนะคลื่นเซนนอ์มิกที่มันซัดเข้ามานี่มันมาแบบเหมือนกับเรียกว่านรกเปิดเลยนะก็ตายกันเป็นเบือ่อ ตอนที่เกิดเหตุคนทั่วเทศก็ไม่ค่อยรู้นะวาเกิดอะไรขึร้นรู้แต่ว่ามันมีน้ําท่วมอาตมาตอนนั้นอยู่กรุงเทพนะตอนเที่ยงก็ยังได้ข่าวเพียงว่าเออน้ําท่วมใหญ่แบบฉับพลันคนก็ยังไปเที่ยวกันเที่ยวห้างเพราะมันใกล้ฉลองปีใหม่มารู้อีกทีตอนคำคำมาโอมันตายกันเยอะมากเพราะว่าตอนที่เกิดเทตนี่ การคมนาคมหรือว่าการติดต่อสื่อสารมันตัดขาดหมดนะติดต่อทางโทรศัพท์รรร ม, มือถือไม่ได้เลยเพราะว่าไอ้สสัญญาณโทรศัพท์รรร ม, มันพังพินาศหมด mm hmm. ก็มีแต่คนที่ภูเก็ตพังงานนะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะที่เหลือไม่รู้ว่าเกิดอะไรก็ยังเที่ยวกัน mm hmm. หลายคนก็ <c oughs> ตายกันยกครัววส่วนใหญ่ก็เป็นคนมีเงินนะมาเที่ยวเขาหลักเที่ยวภูเก็ตนะ ก็ได้รับความสุขความสําราญแต่ไม่คิดว่าหลังจากนั้นไม่นานไม่กี่ชั่วโมงก็ก็ตายแบบบางทีมันก็ศพไร้ญาติเลยหาศพไม่เจอแล้วก็ตายก็แบบอนเนจอนาจมากมนาะบางทีก็ล่างก็ถูกเคลื่อนไปซัดกับไปฝ่ายกับต้นไม้ไปฝ่ายกับก้อนหินไปฝ่ายกับตึกตายอยู่มาอย่าง ร่ำรวยมั่งมีสีสุกแต่ว่าเวลาตายมันตายแบบอันเด็ดอนานดาไม่ว่าจะรวยหรือจนนะก็ตายเหมือนกันในวันนั้นนะมันก็ชวนให้ปรอนนีจังนะว่าชีวิตนี้มันไม่เที่ยงความตายสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาความพยาณะเกิดขึ้นได้ทุกขณะดดัมองในแง่นี้มันก็เตือนให้เกิดความไม่ประมาทนะในชีวิตบางคนก็นอนตาย รกระกะอยู่บนถนนนะโทรทัศน์เขาก็ถ่ายทอดว่ารุ่งขึ้นทั้งวันเลยนะช่องสามจำได้รายการสรยุทธ์นี่ถ่ายทอดทั้งวันเลยท้องถนนก็มีศพร ก, กละกะอยู่บนถนนไม่มีคนไม่มีใครจะจะเก็บได้เก็บศพได้เพราะว่ามันศพมันเยอะมากนะบางคนก็รวยร้อยล้านพันล้านแต่ว่าศพก็เหมือนกับศพอนาถา ต้องไปพิสูจน์ศพกันที่วัดย่านยาวนะเป็นเป็นเดือนนะกว่าจะพาศพกลับบ้านได้คือคนเราเวลาเวลาตายแล้วไม่ว่ารวยหรือจนมันก็เท่ากันหมดนะศพนี่มันก็หน้าตาเหมือนกันหมดด้วยไม่ว่าเป็นไทยเป็นฝรั่งหน้าตาเหมือนกันหมดรวยหรือจนนี่ศพมันเหมือนกันหมดเลยเป็นความเท่าเทียมกันที่ที่คนไม่ค่อยนึกเท่าไหร่นะว่าคนเรานี่ ไม่ว่ารวยหรือจนยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตายเหมือนกันในเวลาตายก็หน้าตาไม่ว่าจะแต่งตัวให้飒 ส, สวยยังไงไปทำผมไปฉีดหน้าอกไปทำสัญญกรรมยังไงแต่พอเวลาตายก็เหมือนกันหมดเลยไม่ว่ารวยหรือจนไม่ว่าต่างด้าวหรือว่าฝรั่งแต่ว่าในความมืดก็มีแสงสว่างนะเพราะว่าเหตุการณ์ซึนามินี่มันก็สะท้อนให้เห็นถึงความ ความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยในที่จริงมันสะท้อนหนึ่งด้านดีของมนุษย์นะในที่ช่วยกันคนเราไม้คนเรามือหลายคนก็ตัดสินใจไม่เที่ยวปีใหม่ไม่เที่ยวละมุ่งหน้าไปที่พังงามุม่งหน้าไปที่ภูกเก็ตนะไปช่วยเก็บศพไปช่วยสงเคราะห์คนที่เดือดร้อนผู้นี้น่านับถือมากนะหลายคนก็ไปอยู่กับศพนี่เป็นเดือนเลย ไปคลุกอยู่ที่วัดยันยาวทำการพิสูจน์ศพว่าเป็นใครศพนี่มันก็เป็นเดือนมันก็เหม็นนะก็อยู่ความเหม็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายดยเพราะวัยรุ่นหนุ่มสาวนี่เห็นแล้วก็ไปเห็นเขาก็สัตว์น่านับถือบางคนก็เสียดายที่ไม่ได้มาช่วยเท่าไหรนะ่บางคนก็ดีใจนะที่ได้มีส่วนช่วยคนละไม้คนละมือ อนนีกเลว่าในความมืดมันก็มีแสงสว่างนะแสงสว่างที่ทําให้เราเกิดศรัทธาในมนุษย์นะว่าก็มีน้ําออกน้ําใจใยิ่งคนเราประสบความยากลำบากทุกยากเท่าไหร่ในด้านนี้มันก็มีลักษณะของคนต่างคนตัวใครตัวมันไอคนตัวใครตัวมันก็มีเยอะนะโโอกาสขโมยของขโมยเงินขโมยสร้อยนะจากคนตายแต่ว่าที่ช่วยเหลือกันเยอะ ฝรั่งที่มาก็ประทับใจนะอย่างบางคนนี่ตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่สิปีที่แล้วนะอายุ10บขวบตอนยี่สิบยแล้วก็มาตามหามาตามหาคนไทยที่ช่วยเหลือเขาอย่างที่เป็นข่าวตามหาทาง Facebook ออกประกาศทาง Facebook แค่วันสองวันก็พบแล้วนะอันนี้ก็เป็นด้านดีของของวิกฤตนะในวิกฤตก็มีโอกาสที่ทําให้เราได้เห็น คุณงามความดีของมนุษย์นั้นก็ <c oughs> ผ่านไปก็สิบปีแล้วนะก็เราไม่ควรลืมเลือนเหตุการณ์นี้มันจะเตือนใจเรามากนะว่าสักวันหนึ่งเราก็อาจจะเป็นเหมือนกับผู้ประสบเหตุในเหตุการณ์นั้นจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อาจจะไม่ให้ตายเพราะสึนามิอาจจะตายเพราะแผ่นดินไหวตึกถลม่มก่อการร้ายนะหรือว่าน้ําท่วม มันตายได้ทั้งนั้นนะตายได้ในวันที่ฟ้าสวยแดดใสซะด้วยนะไม่ใช่ว่าต้องตายในวันที่อากาศมึนทึมฟ้าสลัวบางทีช่วงเทศกาลที่คนกำลังมีความสุขนะก็นั่นแหนละคือวันตายอย่างช่วงสามสิเอ็ธันวานเนี่ยกำหนมกรานี้ก็กําลังจะเป็นวันตายของหลายคนโดยเฉพาะคนที่ประมาทนะคนที่มัวเมาในชีวิตคนที่เอาแต่เที่ยวกินเหล้าเมาสุรา อันนี้ก็มันจะเป็นวันตายของเขาเลือดจะรวมถึงเราก็ได้มันไม่แน่นะเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งจิจในความไม่ประมาทแล้วก็พยายามทำความดีนะนะสะสมบุญกุศลเอาไว้จะได้เป็นที่พึ่งได้ในยามที่ใกล้สิ้นชีวิตอาแล้วก็เตรียมรับพร